อของกากเพื่อนจะทำมิกนะแล้วก็นะเจริญพรแค่ที่ทางพ้ท่านเนานะก็อาจารย์พระอาจารย์โน้นนะพูดได้ง่ายๆนะก็มากับอาจารย์ตุ้มนะนะแล้วก็มีพระนวกักกะมาด้วยนะเราร่วมปฏิบัติธรรมกับพวกเราเข้าไปครั้งแรกนะที่มาที่ยุวพุทธศูนย์ที่สี่นะที่ตรงนี้ ก็รู้สึกบรรยากาศสระพยะดีตรพยะดีก็มีญาติธรรมบางท่านที่เคยเคยเจอกันเคยปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ก็มีนักใหม่ใหม่หลายท่านแต่ก็ทราบว่าที่นี่ก็เคยอบรมวิธีการเจริสติมาบ้างนะก็มี20ท่านที่เคยปฏิบัติแนวเจริสติตามแบบนองพ่อเทียนแล้ว มีเจ็ดท่านที่ยังไม่เคยเนาะไม่เป็นไรนะก็ถือว่าคนที่เคยแล้วก็จะได้เหมือนเป็นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เราก็ทำความเพียรของเราต่อเนื่องด้วยนะส่วนคนที่ยังไม่เคยก็เพียงแค่เราเปิดใจนะเปิดใจเรียนรู้นะวิธีการนี้นะแล้วก็ลองทําดูนะลองทําตัวเป็นแบบเป็นนักศึกษานะ เรียนรู้ดูว่าสิ่งที่อาจรมาสอ น, นแล้วเราก็ลองทําตามดูมันจะเกิดผลอย่างไรนะมันคือเป็นปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทนะพร้อมกันนะคําสอนใช่ไหมคือปฏิญาต <c oughs> ปฏิบัติคือภาพที่เราลงมือปฏิบัติปฏิเวทก็คือผลจากการที่เราได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เราได้ปฏิบัติมันเกิดผลอย่างไรตรง น, นี้ย แล้วเราก็จะสรุปเองว่าคำตอบที่เราได้สัมผัสที่เราได้รู้มันคืออะไรนะอย่างถันมาเองที่จริงก่อนที่จะมาบวชก็ก็เราก็ปฏิบัติแบบแนวเรียกว่าเจอสติแบบหลวงพ่เทียนเนาะก็เคยทำมาหลายวิธีนะนะเคยตอนเด็กๆ ก, ก็สนใจอ่านหนังสือหรือมีคนสอนนิดหน่อยนะก็ทำเองบ้างแบบพทดโทนะ พอเป็นพิธีการที่มีแพร่หลายกว้างขวางในเมืองไทยนะก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะตอนเป็นนักศึกษาก็เคยไปที่ส่วนโมกรับว่านาดามที่สุราษฎร์นนะก็ไปเข้าคอร์สแบบอนาปานสตินะที่ส่วนโมกของสาคันะ้งอะไรนแต่พอมาบวชนะก็ตั้งใจว่าบวชแล้วก็จะมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะ เขไม่ค่อยรู้จักว่าไม่ไม่ไ ม, ม่รู้จักหลวงพ่อคําเขียนรู้แต่ว่ามีหลวงพ่อที่เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เพสานเรารู้จักพระอาจารย์เพศานวิสาโลผ่านหนังสือหรือผ่านมีตุ้นพี่บอกเล่าว่ามีมีพระที่เรียกว่าเป็นใครๆพระที่สื่อสารกับคนรุ่นใหม่คนชั้นกลางได้ดีนะชื่อพระอาจารย์เพสานวิสาโลเนะี่ย เราก็ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติพิธีใหนหลักแต่รู้ว่าท่านอยู่วัดป่าสุป โ, โตนะแล้วก็มีคนบอกว่ามีหลวงพ่อคำเขียนสุวนโนได้เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เพชรสามวิสาโลนะก็มาอยู่ที่วัดป่าสุปโตตั้งแต่บวชใหม่ๆนะจนถึงตอนนี้ก็อยู่จนเรียก ว, ว่าอยู่จนหลวงพ่อคำเขียนเสียนะพอหลวงพ่อคำเขียนเสียราชังคารก็ มาอยู่อีกที่หนึ่งนะที่อาสมวิทยธรรมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์ตุ่มก็มาอยู่ด้วยกันแต่ก็ไปไปมาๆ ก, กับบัตรปา ก, ปากสุโกโตนะคือวิธีการเจริญสตินะสาหรับคนใหม่ๆื่อทีอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกๆนะเป็นสิ่งแปลกๆส่วนใหญ่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็จะนั่งนั่ง นิ่งๆเนาะนะนั่งหลับตาบางวิธีการเช่นก็อาณาปานสติเฉยๆเลยก็แค่ดูลมหายใจเข้าออกนอะกำหนดลมหายใจแต่บางวิธีการก็มีทั้งคำบริกรรมม า, ม า, มาบวกด้วยเนาะพุทโธก็ดีนระพองยุกก็ดีอะไรั้สัมมาอรหังก็ดีก็มีมาประกอบด้วยแต่วิธีการเจริสติแบบหลวงพ่อเทียน ก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมันก็เรียกว่าเราจะนั่งทําก็ได้นะจะเดินก็ได้จะยืนก็ได้หรือแม้แต่นอนก็ได้นะมันเป็น ม, มันที่จริงก็ไม่ต่างจากการที่เรากําหนดลมหายใจหรอกแต่เพียงแต่เราเริ่มจากเรียกว่าอินเทอร์โบที่ที่เรียกว่าใหญ่ๆ ห, หน่อยใหญ่ๆคือนะเช่นถ้าเราเดินเราก็กําหนดรู้เพียงแค่การเดิน รานั่งเราก็กําหนดรู้ในการเคลื่อนไหวที่ที่มือเป็นหลักคนนะี้มือก็มีการเคลื่อนไหวไม่ต้องหลับตาอรนั่นนะแต่เราจะยืนนะยกมือเคลื่อนไหวก็ได้นะหรือแม้แต่นอนก็พลิกมืองา่ายพลิกมือคว่ําแบบนี้กำหนดรูกับเรียกว่าเริ่มแรกกําหนดในกิริยาบทที่ใหญ่ๆนะกิรบทใหญ่ๆยาบ ๆ, ๆก่อน ต่อไปพอเรามีสติกำหนดรูกับอิบอดใหญ่ๆแบบนี้บ่อยๆต่อไปอิบอดเล็กน้อย ย, อย่อยๆนะหรือที่มันเป็นอิบอดที่มันเป็นธรรมชาตินะมันก็จะรู้ของมันเองนะอ่านะบางครั้งตากระพริบเราก็รู้สึกนะหรือแม้แต่หายใจเข้าหายใจออกที่เป็นธรรมดาเนยะเราก็รู้สึกนะหรือมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยให้ขยับตัวเนะี่ยเราก็รู้สึกตัว อันนี้คือเรียกว่ารู้ตั้งแต่จับยาอิริบบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวหายใจเข้าออกบางครั้งก็รู้นะไม่ใช่ว่าดู้ตลอดเวลาในตรงหายใจนะเพราะว่ามันจะรู้สลับกันในอิริบบทใหญ่ด้วยนะกระพริบตาอ้าปากนะั่นบางทีมันก็รู้สึกนะรวมทั้งต่อไปสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นไม่ได้รู้สึกเพียงแค่ร่างกายที่เราขยับ หรือที่เคลื่อนไหวแต่มันจะเข้าไปรู้ถึงจิตใจที่ที่มันมองเห็นยากเนาะไม่มีใครใช้ตามองเห็นใจคนอื่นได้มันมีแต่หรือแม่แต่ใจของเราเองนะเราก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือไหนนะตรวจสอบได้ว่าใจเรนนี้มันเป็นแบบไหนนะแม้ทางวิทยาศาสตร์จะพยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องของจิตใจนะแต่มันก็ยัง มันยังไม่ละเอียดเท่าสิ่งที่เราศึกษาในในทางพระพุทธศาสนานะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสติในการรู้เท่าทันจิตใจได้นะหลวงเทียนท่านก็จะบอกรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะคือรู้กายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกนะกายเราก็มีอยู่ตลอดเวลานะเราก็รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหว แล้ในบางขณะที่จิตใจเขาคิดนึกขึ้นมาเขาปุ่มแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยสติก็จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนะนี่คือรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะสิ่งที่จะเดินสติเนี่ยคือมันครบทั้งเรียกว่าถ้าไหนมหาสติประธานสูตรนะก็ครบทั้งกายเวทนาจิตเราก็ทำนะนะแต่เบื้องต้นเริ่มแรกส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่กายไวก่อนนะ ต่อไปก็จะเข้าไปรู้เวทนาคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นความเฉยก็ดีหรือรู้จิตตาโนปัฏณะก็คืออาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะเป็นความโลภความโกรธความดงนะความคิดหรือว่ามันไม่คิดหรือทำมาดงนี้ก็หลายหมวดมากนะทั้งกุศลก็ดีทั้งอกุศลก็ดีหรือที่เป็นกลางๆ ก, ก็ดีนะ เห็นหมดเลยนะเห็นหมดแล้ว <Era> ม right, right? mm ันจะเป็นวิปัสนาได้อย่างไรนะมันจะต่อไปจะเกิดวิปัสนาญาณนะเหมือนกันปฏิบัติทุกวิธีการนะวิปัสนานี่เกิดขึ้นเหมือนกันนะเริ่มจากนะรูปนามก่อนนะแยกรูปแยกนามนะต่อไปก็พัฒนาไปเรื่อยนะแต่ถ้าถ่ายหลงพระเทียนวันนีฉันจะพูดคร่าวๆนะดูรูปดูนามนะ แต่ถ้าพูดแบบภาษาของข้อเที่ยนอาจจะวิธีปฏิบัติวิธีเอื่นเจงงแต่จริงก็คือค่อยๆพัฒนาจากาการแยกรูปแยกนามนะรู้ความทุกข์ของรูปความทุกข์ของนามนะดูรูปโลกนางโลรคนะ่ะต่อไปก็ถ้าพูดง่ายคือเห็นไตรักเ <im itation> ข้าใจไตรักของรูปของนามนงะเข้าใจทิ่นี่เป็นสมมุติสิ่งที่เป็นปรมาทินะปฏิบัติถูกสมมุตินะอันนี้คือ สิ่งที่จะเกิดวิปัฒนาก็เหมือนกันนะแรกๆจะมาปฏิบัติวิธีนี้ก็ก็ยังมีความสงสัยว่าวิธีการแบบนี้มันทำให้เราเกิดเกิดสติปัญญาได้จริงเหรอเพราะว่ามันมันก็ขัดกับความรู้สึกในตอนต้นๆที่เราต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบเนาะพอให้จิตสงบมากๆ แล้วก็จะเกิดความความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงภริในใจของของเราเองประมาณนะี้คิดว่าทำให้จิตสงบนิ่งๆแล้วมันจะเกิดความปิ๊งขึ้นมาเปลี่ยนนะจิตใจเปลี่ยนนะกลายเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาจากการทำแบบนั้นซึ่งตอนวนัวใหม่ๆก็ก็สามารถ จเจริญสมาธิได้ดีนะพอเราอยู่ในวัดป่าแล้วก็มีข้อวัาปฏิบัติก็จเจริญสมาธิจนจิตสงบนิ่งได้ดีนะแต่ก็มันไปต่อไม่ค่อยถูกนะไปต่อไม่เป็นพอนงแล้วก็ก็หยุดแค่ความนิ่งแต่พอเรามาจเจริญสติแล้วเราสามารถเรียกว่ามีสติได้จตลอดไปนะบางทีจิตไม่สงบเราก็มีสติรู้นะรู้ รู้ทันความคิดรู้ทันความปรุงแต่งนะแต่ก่อนบางทีถ้ามันดีถ้ามันสงบเราชอบถ้ามันไม่ดีมันไม่สงบเราไม่ชอบเรารู้ไม่ทันความความชอบหรือความไม่ชอบในใจของเรานะรู้ไม่ทันตัวตนที่มันเกิดไปสร้างพบสร้างชาติคำว่าพบชาติเนี่ยในที่นี้ไม่ใช่ไปในทางพบที่มันไม่ดีเท่านั้นนะ แม้แต่ในภพทางที่ดีเนะี่ยแต่ก่อนก็ไม่รู้นะว่ามันคือการที่เราเข้าไปอยู่ในภพนะว่าสงบเราก็พอใจดีใจแล้วก็แช่อยู่ในความสงบแล้วมันสุขเราก็พยายามที่จะรักษาความสุขไว้ประคองความสุขไว้ซึ่งความจริงมันคือคือการการพยายามรักษาภพหรือเข้าไปอยู่ในภพนั้นในรูปแบบหนึ่งแต่มันเป็นภพที่ดี ถ้าไทายไปทอนน้นจะอาจจะไปสวรรค์หรือไปพเมรโลกรได้แต่มันก็ยังไม่ใช่มรรคผลวิพานนะมรรคผลวิภา น, นจริงๆเมันต้องเกิดจากการที่เจริญสตินะ่ะเป็นสติที่มีสมาธิด้วยไม่ใช่สติที่ไม่มีสมาธินะหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีสติมันคู่กันนะบางทีพูดคำว่าสติหลายๆคนก็มักจะถามว่าเจริญสติเนะี้ยมันมีสมาธิไหม อาจจะต่อมีอยู่ด้วยกั น, นัแต่เหมือนเราเดินนะั่นนะเท้าซ้ายกับเท้าวขวามันอาจจะคนว่าคนละข้างละจีนนะแต่เดินไปมันทิ้งกันไปไม่ได้มันไปด้วยกันถ้าตัวเราไปนะเท้าซ้ายกับเท้าวขวามันก็ไปไล่ไล่กันนั่นแหละไปด้วยกันแต่เพียงแต่ว่ามันมีบางตัวเป็นผู้นําบ้างนะเหมือนครอบครัว น, นะ สามีภรรยาก็ อ, อยู่ด้วยกันก็ชื่อเหลือกันสติกับสมาธิเนี่ยต้องไปด้วยกันครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับมีดนะเหมือนกับมีดที่มันมีสองด้านด้านที่คมนะแล้วก็ด้านที่มันมีน้ําหนักมีดท่านคมอย่างเดียวนะเช่นใบมีดโกนนะมันก็จจะตัดเชือกตัดผมตัดอะไรได้ ที่มันบางๆที่มั น, นเล็กๆแต่ถ้ามันใหญ่เหลือเนี่ยมันก็ตัดไม่ได้แต่ถ้ามีดเช่นมีดพ้าเนะี่ใหญ่ๆนะแต่ถ้ามันไม่คมเนะนี่ยมันก็ตัดอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมัมีแต่น้ําหนักนั้นสติแล้วก็สมาธิมันก็เปรียบเหมือนกับถ้าเปรียบเป็นมีดนะก็สติมันก็จะเป็นตัวให้เกิดปัญญานะคือด้านที่มันเป็นด้านที่ทําให้เกิดความรู้ หน้ที่เป็นการตัดกิเลสตัณหานะตัดอุปทา น, นต่างๆได้แต่มันก็ต้องมีสัมมาสมาธิเข้านะมารประกอบถ้าความทียดกำลังสมาธิไม่พอมันก็ตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดเหมือ น, นกันบางทีอาจจะพูดเน้นที่สติแต่ให้เข้าใจว่ามันก็มีสัมมาสมาธิประกอบอยู่ตรงนั้นนะแต่อาจจะไม่สมาธิแบบสงบตลอดเวลานะแต่จะเน้นที่เรื่อว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิที่เกิดทีละขณะทีละขณนะมนมางทีจะพูดเขาว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวทีละขณะทีละครั้งก็คือว่ามีทั้งสติแล้วก็มีทั้งสมาธิประกอบกันในขณนะนั้นในขณะนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดนะสิ่งที่เราจะสอนนะหล้วคนเก่านี่ก็คมพอเข้าใจบ้างนะแต่อาจจะบางที เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ในวิธีการจะเจตสติในในรูปแบบอื่นก็มาลองดูนะอาจจะมาก็อาจจะใช้ภาษาอาจจะแตกต่างไปบ้างก็แต่หัวใจสาคัญก็คือให้เกิดความรู้สึกตัวนั่นแหละนะเมื่อเรารู้สึกตัวเยอะๆแล้วนะความรู้สึกตัวนะมันจะเป็นตัวสอนมันจะเป็นคําต่อนะให้กับจิตใจของเราเองนะ ไ้มาอยู่กับหังพ่อคำเขียนท่านก็ไม่ได้สอนมากท่านก็เน้นแค่สอนตอนหลังทำวัดเช้าทมวัดเย็นนะในทั่วๆไปท่านก็ให้เราปฏิบัติเองแต่ถ้าเราปฏิบัติไปด้วยฟังทาไปด้วยอยู่ใกล้คิดคูบายอาจารย์ด้วยเนะี่ยมันเหมือนค่อยๆค่อยๆขัดค่อยๆกราวนะให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัตใิใหม่ๆนี่ อาตมันสงสัยเยอะมากสงสัยนะอยากรู้อยากได้นะทั้งสงสัยทั้งอยากนะก็ก็เป็นน่ะใหม่ใหม่แต่พอปฏิบัติเรื่อยๆมันก็ความสงสัยก็ลดลงนะวางลงความอยากได้อะไรก็ก็ลดลงนะก็เบาลงนะมันเพราะที่จริง ปฏิบัติแรกๆเราคิดว่าเหมือนเราปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่เอาไม่ได้จริงนะปฏิบัติเพื่อจะทิ้งนะเพื่อจะวางมันจับเบากว่านะบางทีพอคิดถึงปฏิบัติก็เหมือนจะอยากเอาอะไรอยากได้อะไรนะมันมันเครียดมันหนักนะแต่พอเปิดเพื่อเพื่อรักเพื่อวางเพื่อปล่อยเน่ยมันเบาใจก็เบาไม่ได้อยากจะได้อะไรนะแต่มันรู้แล้วมันแล้วมันปล่อยเงินวาง มันก็เกิดความเบากายเบาใจขง้งมันเองนะอันนี้คือวิธีปฏิบัติเอาพูดครา่าๆเช่นนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาพวกเราปฏิบัติพร้อมกันไปเลยเนาะ <c oughs> สาสตึลงพ่อ เ, เทียนะสอนเป็นปริยัติไม่มากนะ <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่ใช่ตรงตามตำาาเป๊ะๆนะแต่ก็เน้นเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเข้าใจ ใจความคร่าวๆแล้วก็เน้นถูกภาคปฏิบัตินะถูกภาคปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขาดค่อยๆกลาหรือตรงไหนสงสัยก็ถามนะถามไม่ใช่ถามเพื่อรู้แต่ถามเพื่อเราจะได้เอาไปทำดูว่าทำแบบนี้มันเกิดผลแบบนี้มันไปต่อไม่ได้จะ ต, ต้องแก้ยางไางเนี่ยก็ถามได้นะนะแต่ถ้าจะซักถามให้รู้ให้แตกชานะเนี่ย มันไม่ได้หรอกนะทีมาก็เจอนะอืโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะ่ะยังมาก็ส่วนใหญ่ที่อาสมิทําก็จะมีคนจีนมาปฏิบัติธรรมเยอะนะบางทีก็มีชาวต่างชาติมาเรียนมากคนญี่ปุ่นหรือฝรั่งนะบางทียิ่งคนไม่มีมพื้นฐานพื้นศาสนาเนี่ยมาที่จะถามแบบเอาให้มันรู้ให้ได้นะอืมถามคล้ายๆเหมือนเราเหมือนอาจารย์ มีคําถามมาแล้วก็ให้เรามาตอบเลยนะตอบไม่ตรงประเด็นก็ไม่ได้นะอืก็เขาอยากรูเนาะะแต่จริงมไม่ใช่จะรู้ด้วยกันมาตอบกันนะแต่ถ้าต่อปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ได้วยตัวของเราเองแล้วเราก็จะมีเครื่องมือในการที่จะมีคําตอบให้กับตัวเองนะไม่ต้องไปคอยถามใครนะเพราะบางทีถามแล้วเชื่อทันทีก็ผิดนะไม่เชื่อทันทีเลยก็ผิด แต่ถ้าเรารู้ด้วยตัวเองของเราเนี่ยแหละเนี่ยจะถูกจะผิด ก, ก็ตัวเราเองนี่แหละเรารู้ด้วยตัวของเราเองนะนะก็ปฏิบัติกันแบบสบายๆง่ายๆน ะ, นะวิธีการแบบหลงพรอเทียนเนี่ยเรียกง่ายนะตรงๆซื่อๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเราเน้นที่การทําความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจที่ปจุบัน สิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกับกายในปัจจุบันมีสติ ค, คอยรู้สี่งที่เกิดขึ้นกับใจในปัจจุบันมีสตคิคอยเห็นแค่นี้แหละนะไม่ต้องไปคิดถึงอดีตอนาคตอะไรมากมายไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบ ก, กับปัญญาอะไรมากมายศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงที่กายที่ใจปัจจุบันเนี่ยแหละตรงนี้ก็ไปสู่สภาวะตรงนั้นนะออะะนั่งให้สบายสบายเนาะ ืมีเวลาสัก20นาทีก่อนคอนเทนนะอืนั่งกัสสมาธิก็ได้นั่งผราเทียรก็ได้นะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งทีกก <c oughs> ่สบายก็คือเราก็ต้องปรับร่างกายให้มันพอดีให้มันผ่อนคลายเนาะยืดแบบไหนพอดีของแต่ละคนก็เราก็ดูเองนั่งแบบไหนพอดี หายใจเข้าสบายไหมหายใจออกสบายไหมนะเกม่งไหมบางทีถ้ปฏิบัตินะให้แบบเนี้ยให้เริ่มด้วยความผ่อนคล า, ายอย่าเริ่มด้วยความเก่งบาทีว่าเราคิดถึงการปฏิบนะัติเนีะเราจะทําให้มันนิ่งแข็ ง, ขงซึมๆเลยนะนะไม่ต้องทำแบบนั้นทําให้สบายละผ่อนคลายเลี่ยแหละ แต่ก็ให้มีความตั้งใจตั้งใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก็ไม่ใช่เกรงนะสบายๆขมือวางไว้ที่หัวเข่าเอาแค่สามวันนะเราตรงๆไปเลยนะไม่อ้อมนะรู้สึกไหมนั่งรู้สึกนั่งแล้วก็เอามือวางไว้ที่หัวเข่าก็รู้สึกเนาะรู้สึกตัวามือขวาคิดขึ้น รู้สึกมากความล้อนรู้สึกพริกความอลองทำแบบนี้ก่อนไม่ต้องชานะพริก ไม่เพ่งไปอยู่ที่มือนะรู้สึกตัวคือรู้สึกร่างกายรวมแต่เขาชัดหรือเขาเด่นที่การเคลื่อนมือเพราะว่ามันเป็นวิยาบทที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันแต่เราไม่ใช่ตัดมารู้แต่มือนะเรารู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่กำลังพลิกมือหมายพลิกความอ รู้สึกเนา ะ, ะรู้สึกมีลูกสิกตรงพ่อคำเขียนท่านหนึ่งท่านเป็นคนพิการที่อาจารย์กำพลพ่อคำเขียนก็แนะนำแค่แบบนี้ น, นนะอาจารย์กนนอนอยู่บนเตียงมาตั้งแต่สองพันห้ารอยยี่สิบสองนะเขียนจดหมายไปหาหงพ่อเขียนประมาณปีสามเจ็ดสามแปประมาณนะั้นนอนพิการเยอ่ก่อนสิบหกปี เขียนจดหมายไปหาหลวงพ่อเขเขียนว่าผมเป็นคนพิการผมอยากปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าหลวงพ่อเขียนและแนะนำผ่านจดหมายบอกว่าเป็นคนพิการก็ปฏิบัติธรรมได้เนี่ยถ้าพอพิกมือได้ก็เนี่ยพิกรมือง่ายรู้สึกตัวพิกมือคว่ำรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวนะ อยากเข้าไปอยู่ที่มือนะให้รู้สึกตัวนเะทําแค่นี้ก็ได้นะเวลาเราจะเจอสติในชีวิตประจําวันนะเราทําแค่นี้ก็ได้เพราะบางทีถ้าเราไปยกมือสิบสี่จังหวะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจจะมองมองเป็นตาวศ่นวุนนะ่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่นะเราทําในรูปแบบด้วยกันก่อนะมือวางที่ของเขานะ ไม่ต้ําหลับตานะ ใ, ใจสบายๆนะอีกมือขวางายขึ้นรู้สึกหนึ่งขนาดนะั่นนะจบยกขึ้นรู้สึกตัววนะางที่ท้องรู้สึกตัวรู้สึกนะ็อวางมันวกรู้สึกพลิกมือซ้ายรู้สึกตัวนะยกขึ้นรู้สึกวางทับมือขวารู้สึก รู้สึกไหมเนี่ยนั่งอยู่นือวังแบบนี้ล้วก็รู้สึกนะมือขวาเลื่อนขึ้นที่หน้าอกรู้สึกตัวอนะอกข้างๆรู้ทั้งที่เขา่ารู้ไม่ต้องชานะความรู้มือซ้ายเลื่อนขึ้นรู้อนะอกข้างๆรู้ทั้งที่เขา่ารู้ควม่มรู้ พิชมือขวารู้สึกยกรู้สึกวางที่ท้องรู้สึกพิชมือซ้ายรู้ยกมู้วางที่ท้องรู้รู้เปิดทีลักษณะรู้ที่ปัจจุบันเดินขวาขึ้นรู้ออกข้า ง, างรู้ตั้งที่เขา่ารู้ความ เนมาซายขึ้นหรือออกข้างๆหรือตั้งลงหรือความรู้มันมีความรู้สึกตัวแล้วแต่โยมนะแล้วแต่โยมถนัดแต่มันจะมีหยดสามลักษณะข้อเเกร้านะมีการเคลื่อนไหวรู้สึกทเท่า ก, กายที่เคลื่อนไหวหรือตอนมีนไม่เคลื่อนไหวมันนิ่ง เร้สึกในขณะที่มันหยุดนิ่งหรือบางทีนะี่ยแม้แต่มือเราสัมผัสกันมือกับขาสัมผัสกันขึ้นการสัมผัสนะหรือวางที่ท้องก็คือสัมผัสมาที่อกคือสัมผัสลัสกษณะของการรู้สึกที่ร่างกายคร่าวๆนะก็มีการเคลื่อนไหวหรือมีการหยุดนิ่งหรือมีการกระทบสัมผัสเราจับตัวไหนก่อนก็ได้นะทักคนใหม่ บางคนอาจจะถนัดจับที่ความสึกที่การการเคลื่อนนะก็ได้บางคนจะรู้สึกถนัดในการหยุดก็ได้หรือบางครั้งเราก็รู้สึกในการสัมผัสนะแต่เป็นรู้ทีละครั้งนะแล้วก็เคล็ดสำคัญจริงคือรู้ที่ปัจจุบนนันขณะที่ทําไม่ปิดเอาใจไปคอยดูก่อนเช่นมือมันนุ่วางไว้นะเอาใจไปคอยดูมือมันกำลังจะเคลื่อนไม่ใช่นะ เคลื่อนเราให้รู้สึกตรงนั้นไม่ใช่เอาใจไปคอยคอยดูมือที่จะเคลื่อนนะหรือพอมันเคลื่อนไปแล้วเราก็มาคิดเอาเมื่อกี้มือมันเคลื่อนอันนี้ก็เป็นรู้ช้าไปรู้เป็นเป็นอดีตไปนะรูที่ปัจจุบันเพราะตอนนี้สมมติมือเคลื่อนแล้วนะมันหยุดอยู่นนะั่นเราก็รู้สึกขณะที่มันหยุด น, นะรู้สึกขณะที่มันสัมผัสกันที่ปัจจุบันเนะี่ยถ้าต่อไปซึ่งจะยกขึ้น ก็ไม่ต้องอดใจไปคอยดูว่ามือจะยกให้ใจรู้สึกในขนาดที่หยุดก่อนพอมันเคลื่อนปุ๊บรู้สึกนะวางปุ๊บรู้สึกนะสัมผัสปุ๊บรู้สึกเป็นปัจจุบันนะอันนี้ฟังเป็นปณิยัญไปก่อนอันนี้ให้เราลองทำ น, งนะนะนะท ำ, ทำจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ดูดูพระด้านหน้านันเนาะ ลองทำดูในรูปแบบสื่อจันทวันเนาะ มีการเคลื่อนมีการหยุดนะรู้เป็นทีละขัง้งไม่ต้องเร็วเกินไปแต่ก็ไม่ช้าเกินไปนะในขณะที่เคลื่อนหนึ่งจังหวะไม่ต้องแบบช้าช้านะรู้แบบกระชับเท่านั้นขณะที่หยุดก็ไม่ต้องแช่งานหยุดก็รู้แล้วก็เคลื่อน ก็ไม่ต้องหลับตาก็มองบางคนจะทอดสายตาตำ่ำลงนิดนึงนะมองแต่ก็ไม่ต้องไปเอาตาไปเพ่งที่ใดที่หนึง่งมองแบบผ่นานๆมองแบบไม่ต้องไปเอาไม่ได้ไปสนใจในสิ่งที่เห็น เราอยากถ้าเราตั้งใจจะดูในท่าที่ปัะญา ย, ยกก็ดูเพื่อจะได้ทำให้มันถูนกแือนก็ดูสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาลองทําแต่เหมือนเราต่อใช้ตาไงคือตัวสติในการดูดูร่างกายรวมในการเคลื่อนไหว รู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่ประดังเคลื่อนไหวเห็นรูปที่นั่งเห็นรูปที่เคลื่อนไหวทีละขนาด รู้สึกเป็นครั้งเป็นธนาเนะมื่อกี้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะรู้ครั้งใหม่เลยนะนะถ้าใครเครียดก็อมยิ้มผ่อนค้ายนะย ถ้าใรฟุ้งซ่านมากตั้งใจขึ้ น, นกำหนดความตั้งใจให้ตั้งมั่นขึ้น คนอาจจะมีสลับสลับซ้ายสลับขวาผิดบ้างนะไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้สําคัญมากแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ขวาก่อนนะในแต่ละท่าก็เริ่มที่ขวาแต่บางทีสลับไปผิดก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรผิดระเบียบขนาด น, นั้นนะอไม่ใช่เหมือนเราเขียนหนังสือต้องมือขวาเท่านั้นนะเขียนมือซ้ายก็เขียนได้ คือความรู้สึกตัวมันอยู่ที่มันมีสติคอยรับรู้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะร่างกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีความหยุดนิ่งร่างกายมีการกระทบสติรู้นั่นแหละเรียกว่าถูกแล้วเราจะเริ่มฝึกให้มันเกิดวิปัสสนานะมันเกิดตั้งแต่ตอนไรกเลย แต่อาจจะยังไม่เป็นยาณ น, นะจะเป็นวิปัสนาที่เห็นตามความเป็นจริงไปก่อนแต่ยังไม่ใช่ยาณนะคืออะไรรูปรูปก็อนหนึง่งใจที่รู้ถึงรูปที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็อันหนึง่งมันจะเริ่มแยกแล้วนะรูปที่เคลื่อนไหวใจที่รู้นะจะเริ่มแยกรูปแยกน้ำเข้าไปในต่างนั้น เห็นไหมรูปเคลื่อนรูปหยุดรูป ก, กระทบสัมผัสในอันหนึ่งใจที่ ร, รับรู้นี่คือจะเกิดสองส่วนล่เกิดพิปสัสนานน้อยขึ้นแล้วนะแต่ต่อไปนะเราไปทานอาหารเนะีนะ่ยขณะที่ช้อนตักอาหารขณะที่คูแขนเข้า ตัดอาหารเข้าปากขณะที่วางช้อนลงไปตัดอาหารทั้งหมดก็คือการเคลื่อนไหวของมือสติเราไปกําหนดรู้แบบนี้นะสติกาหนดรูปการเคลื่อนไหวแบบเนี้ตัดอาหารก็ดีหรือเราไปล้างช้อนล้างจานก็ดีก็คือการเคลื่อนไหวแต่ในนอกรูปแบบนะอันนเรียกว่าที่เรายกมือติดสี่จังหวะหรือเดินจังกรม เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบมีต่างลักษณะที่มาบอกเต็มๆการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งหรือการสัมผัสแต่ถ้านอกรูปแบบส่วนใหญ่มันจะมันจะเป็นสองลักษณะคือการเคลื่อนไหวกับการสัมผัสคือนอกรูปแบบของเราไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนิ่งๆไม่ค่อยหยุดนะคือเราเคลื่อนนะมันก็มีมีการเคลื่อนมีการสัมผัสเราเคลื่อนมือตักอาหาร หรือขณะที่เคี้ยวอาหารก็มีการสัมผัสระหว่างลิ้นระหว่างฟันระหว่างอาหาร่นะหรือเวลาเราจับแก้วน้ำก็คือมีการสัมผัสนะระหว่างมือกับแก้วเราก็ให้มีสติกำหนดดูในการเคลื่อนไหวหรือในการสัมผัสอันนี้คือเป็นการปฏิบัติธรรมในระหว่างที่ทานอาหารก็ดีระหว่างที่ทานน้ำก็ดีระหว่างที่ล้างถ้วยล้างจานก็ดีนะ ทำได้หมดเลยนะนะเปิดประตูปิดประตูคือมีการเคลื่อนไหวเนยะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเลยนะนนี้คือหมาว่ามันเป็นข้อเด่นอย่างหนึ่งนะที่เราจะเข้าใจว่าอที่จริงเราสามารปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาจริงๆแต่ก่ อ, น, อนนี้ความไม่เข้าใจเราเองนะเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะคิดถึงแต่ การทำในรูปแบบพอพออกนอกรูปแบบนะพอไม่ได้นั่งสมาธิพอไม่ได้เดินจงกรมในรูปแบบน่มันปฏิบัติธรรมไม่เป็นเลย <c oughs> แต่พอมาคุตตินะเออที่จริงมันอาจจะเดินอาจจะเร็วกว่าที่เราเดินจงกรมแต่เราก็มีสติดูได้เร็วก็รู้แบบเร็วๆหรือขนาดที่เคลื่อนไม่เป็นท่าเราก็รู้สึกแบบไม่เป็นท่านแบบั่นแหละไม่เป็นไร แค่รู้สึกถึงกายที่มันมีอยู่ใจที่รับรู้เนี่ยถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วอืมนะกเราทานข้าวาท า, งงานน้ำก็พยาามใส่สติเข้าไปนะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยให้การเรียกว่าการปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นคือการสํารวมระวังนะสํารวมระวังสายตาคําพูดนะการกระทําำอื่นที่จะทําให้สติขาด จะทําให้มันเกิดอากัสลนธรรมแบบที่เป็นความปรุงแต่งทําอกุศลเยอะๆเนะนี่ยไม่คืเราก็สารวมตรงนั้นระวัต ง, งตรงนั้นนะํารวมนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่ดูอะไรเลยจะต้องไม่พูดอะไรเลยจะต้องไม่คิดอะไรเลยสารวมจริงๆคือตัดสิ่งที่มันจะยั่วให้เกิดเกิดอกุศลมันจะเดิญ ออะเกิดความโลภความโกรธความดุท ม, มันจเจริญขึ้นคือตัดตรงนั้นถ้าเปรียบเหมือนกับไฟเนาะไฟมันไหม้ขึ้นมาสิ่งที่เราตัดก็คือตัดเชื้อของไฟนะไม่ไปเติมประดาษเติมน้ำมันนะเติมเชื้อไฟเข้าไปเนะี่ยสัมบวร์คือตัดตรงนั้นนะแต่ถ้าคนที่ไม่ตัดก็คือพอมันคิดนะไม่ดีแล้วก็สนุกคิด เติมเชื้อเข้าไปนะหรือฟอยด์พูดมันมันนะแล้วก็เติมเติมความเติมอารมณ์ร่วงเข้าไปมันก็ยืดยาวไปเราให้เรามีพูดเป็นผู้ที่สำรวมสายตาคำพูดกิเย น, นตา่างๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเคร่งหรือเครียดเกินไปนะนะนะนะแล้วก็พยายามมีสติบ่อยๆนะัก็คง เช้านที o, ่แนะนำการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้ไปรับประทานอาหารกัางวัน